ว่าวิชาธรรมกายคืออะไรก่อนอื่นอาตมาพาจะขอชี้แจงความหมายของคำว่าธรรมกายก่อนและก็จะพยายามชี้แจงในลักษณะง่ายๆที่พอจะ เข้าใจได้โดยง่ายสำหรับสาธุชนทั่วไปคุณโยมสาธุชนทุกท่านโปรดเข้าใจว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราเนี่ยนะมีกายในกายซ้อนกันอยู่เป็นชั้นชันณภายในแต่ละกายที่ซ้อนอยู่นั้น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 มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งอาตมาภาพจะขออ่านให้ฟังสักเล็กน้อยเพื่อทราบว่ากายในกายณนะภายในเนะี่ยมีอยู่มเีเรื่องเทวากายนั่น มีปรากฏอยู่ว่าเยเกจิพุทธังสระนังคตาเสณเตขมิตรสันติอาปาะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรศสันติซึ่งแปลความว่าบุคคล เ, เหล่าใดเหล่าหนึง่ง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 ละกายเนื้อมนุษย์แล้วก็จะไปสู่เทวภูมิหรือเป็นเทวกายการปฏิบัติเข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นเป็นคุณความดีให้เข้าถึงกายในกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเทวกายเทวกายนั่นพระพุทธองค์ทรงหมายถึง กายที่โปร่งแสงโปร่งเบาได้กำเนิดขึ้นด้วยคุณความดีหรือบุญกุศลต่อจากกายมนุษย์และพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาธรรมคือธรรมชาติที่เป็นเหตุผลเกี่ยวเนื่องกันจากต้นเหตุต้นในต้นเหตุไปถึงปลายเหตุ กล่าวคืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ น, นามรูปคือกายกับใจนะ่ยและเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอุปาทานเกิดทบเกิดชาติทั้งในปัจจุบันทันทีที่จิตใจถูกปรุงแต่งด้วยกิลเลส อ, าอาวิชชา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 ยังเทวากายให้เต็มรอบก็แปลว่ามีกายในกายณภายในที่ละเอียดเข้าไปซึ่งเป็นกายที่โปร่งเบาและก็เป็นกายที่เป็นสุขติคำว่าเทวากายนั้นจึงครอบคลุมถึงกายเทพยดาไปจนถึงกายพรหมอรุปปรพรมนี่เป็นกายในกายณภายใน ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองไปตามลำดับทีนี้มีอีกในพระไตรปิฎกพระองค์ได้ทรงแสดงทำไว้ในที่หลากหลายแห่งว่าพระพุทธองค์เองนั้นหรือพระตถาคตเจ้านั้นเป็นธรรมกาย หรือพรหมกายและว่าธรรมกายหรือพรหมกายนี้อุบัติขึ้นไม่ใช่เกิดเพราะอาวิชชาแต่อุบัติขึ้นเพราะความบริสุทธิ์จึงชื่อว่าธรรมภูตะและอุบัติขึ้นนั้นรวมความบริสุทธิ์ทั้งหมดอุบัติขึ้น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 ได้รับความสุขความเจริญต่อไปในภายหน้าให้บังเกิดในสุคติภูมิหรือทินที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองเป็นความสุขแต่ถ้าทำกรรมชั่วด้วยบาปอาคุสลเป็นเหตุนำเหตุหนุนแล้วบาปอกคุสนั้นก็จะส่งผลปรุงแต่งให้ไปสู่ความทุกข์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 ทำให้สังขารเหล่านี้ต้องแก่ต้องเฒ่าต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดเรียกว่าเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าอานิจจังและมีสภาวะอีกอันหนึ่งเป็นทุกขังคือไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้นานมีตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปความที่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 พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าพระองค์เองเป็นธรรมกายตถาคตคือธรรมกายและบางครั้งก็เรียกว่าปรุมกายที่ว่าเป็นธรรมกายเพราะอะไรเป็นกายหรือเป็นชาติคำที่บริสุทธิ์ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอยู่เหนือความปรุงแต่งด้วยบุญด้วยบาปเมื่ออยู่เหนือความปรุงแต่งด้วยบุญด้วยบาป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 และความอุบัติขึ้นของธาตุรมอันประเสริฐไม่ต้องตกอยู่ในอานัตแห่งไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะที่ว่าต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาวะนี้ไม่เป็นแค่นั้นจึงเรียกว่าพรหมกายหรือกายประเสริฐเพราะฉะนั้นธรรมกายคืออะไรก็คือกายและใจซึ่งซ้อนอยู่ในที่สุดละเอียด ของกายในกายณนภะายในของสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเราเองนั่นเองแต่เป็นกายที่บริสุทธิ์ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งและไม่ต้องตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษณ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงและเรียกว่าธรรมกายหรือปรมกายจะอุบัติขึ้นก็ต่อเมื่อเราทาใจ กายและวาจาของเราให้บริสุทธิ์จนพ้นความดีของชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีสูงสุดของอาตุปพรหมไปแล้วพ้นความปรุงแต่งด้วยผลบุญผลบาปแล้วจะเข้าถึงธรรมกายนี้ได้และธรรมกายนี้ได้หรืออีกในหนึ่งธรรมกายนี้จะอุบัติขึ้นให้เห็นให้รู้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 มาถึงปัญหาที่ว่าเกี่ยวข้องกับธรรมะปฏิบัติอย่างไรละ่ะนี่แหละพิยมสาสพุชนทั้งหลายควรทราบว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายและธรรมกายนั้นการเข้าถึงรู้เห็นและเป็นครั้งแรกถ้ายังละกิเลส เครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกยังไม่หมดสิ้นโดยเด็ดขาดที่ภาษาพระว่าเป็นสมุดเฉดสหานได้แล้วหรืออย่างน้อยที่สุดยังละกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกกับโลกอย่างน้อยสามประการคือสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีระพตราปรามาสอย่างไม่ได้ก็ยังจัดเป็นแต่เพียงโคตรภูบุคคล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 ก็จะมีสภาวะของจิตใจกลับเข้าสู่ความเป็นปุตุชนธรรมดาตามเดิมนั่นเองทีนี้ส่วนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านนหรือพระอาหารหันต์นั้นธรรมกายของท่านเป็นธรรมกายที่บรรลุอาหารหัตผลแล้วมีชื่อว่าพระนิพพานพระนิพพานคือธรรมกายที่บรรลุอาหารหัตผลแล้ว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 กล่าวถึงคุณธรรมข้อนี้ว่าโสดาปฏิมัติพระโสดาปฏิผลพระสกิทาคามิมัติพระสกิทาคามิผลพระอนาคามิมัติพระอนาคามิผลพระอรหัตมัติพระอรหัตผลชื่อว่าพระอริยะบุคคลแปดเพิ่มพระนิพพานเข้าหนึ่งเป็นพระนพพลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการนี่ที่เราเคยได้ยินเป็นอย่างนี้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 และได้พบขนทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมกายเพื่อกำจัดกิเลสเหตแห่งทุกข์ทั้งหลายเป็นการเผาวรชื่อว่ามัษคสัจจ์รวมเรียกว่าพระอริยสัจทั้งสี่และพระองค์ทรงค้นพบว่าพระนิพพานนี้เองไม่ต้องตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษณ์ไม่ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจึงมีพระประสงค์ที่จะให้สาธุชนเวนยสัพ์สั์ทั้งหลาย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 สาธุชนที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ก็คงจะมั่นใจลงไปได้เลยว่าธรรมกายนั้นมีปรากฏอยู่ในหลักฐานในทางพระคำพีทางพระพุทธศาสนาที่เรายอมรับกันก็คือในพระไตรปิฎกซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สทถีคนิกายปาติกวกัตอักขัญยสูตรตอนว่าด้วยบุตรที่เกิดแต่ พระอุระและพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังมีพระพุทธภาษิตว่าตถาคตัตสะเหตังวาเศรษฐาอธิวจนังธรรมกายโยอิติปิพรหมกายโยอิติปิธรรมภูโตอิติปิพรหมภูโตอิติปิ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 เป็นชื่อของตถากรนี้คือหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ในอคัญญสูตรที่ขณิกายปาติกวกักสาธุชนก็สามารถที่จะไปสอบทานดูได้ว่าที่หลวงพ่อแสดงถึงเรื่องธรรมกายนั้นมีปรากฏอยู่ในหลักปริยัติและวิธีการปฏิบัตริรวมทั้งผลของการปฏิบัติคือในหลักพระสัตธรรมทั้ง3ประการ นั่นเองสำหรับวันนี้อาตมาก็ได้นำสารธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชะยักมังคโลโมาสู่ท่านสาธุชนและขอเชิญสาธุชนโปรดติดตามธรรมะเกี่ยวกับวิชาธรรมกายได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทอญเจริญพร